บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นรูปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของความเครีอดแรงสงสัยนั้นเป็นปัญหาสำคัญในการศึกษาและในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะของพุทธศาสนิกชน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มันมีลักษณะละเอียดลึกซึ้งยากต่อการที่จะยังรู้ได้ทำให้เกิดความคลุบแค่งสงสัยได้ไง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่าศาสนาของเราได้ผ่านการเวลามานานสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็เฉพาะพระธรรมกับพระสงฆ์ ซึ่งพระธรรมนั้นในหลักพระไตรปิฎกก็ได้มาฐานแน่นอนชัดเจนแต่เมื่อนำมาเผยแร่ชี้แจงจากปากของบุคคลทั้งหลายซึ่งมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในพระธรรมแตกต่างกันทาให้เกิดความครุบแรรงสงสัยไม่แน่ใจในพระธรรมที่ตนได้ยินได้ศึกษาได้สดัตวักฟังมาและแม้แต่พฤติกรรมของพระสงค์เอง ท่านได้ได้มาตรฐานตามหลักของพระสังฆณก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหากระทบกระเทือนต่อความเครียดแคลงสงสยัยหรือกระทบกระเทือนต่อศรัทธาแต่พฤติกรรมของบุคคลเป็นนั้นมากอยู่ในแบบของพระสงฆ์ก็สร้างปัญหาให้เกิดความเครียดแคลงสงสยัยขึ้นมาจุดแต่และจุดนั้นมีความเปราะ บ, บางเพราะพื้นฐานทางศรัทธานั้นอ่อนอยู่แล้ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในแง่ของการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรมะของพุทธศาสนิกชนจึงมีลักษณะขึ้นขึ้ น, นลงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนคนตกลงไปในน้ําแล้วโผล่ขึ้นแล้วก็จมลงไปอีกแล้วโผล่ขึ้นก็จมลงไปอีกเป็นการปฏิบัติที่ขาดการต่อเนื่องตัวการสําคัญก็คือการขาดศรัทธาเชื่อมัน่น อยูในกุ่ของประดับนัไพราการติขาดศรัทธาหรือศรัทธาไม่มั่นคงมากพอก็เพราะมีความเครือบแรลงสงสัยในหลายๆเรื่องจึงไม่พร้อมที่จะศึกษาจึงไม่พร้อมที่จะปฏิบัติต่อไปแม้ในขณะที่ปฏิบัติอยู่แล้วพอเกิดความเครือบแกร่งสงสัยก็หยุดการปฏิบัติทําให้เกิดอาการชักงานในการสัมผัสผลของธรรมะ เรื่องเหล่านี้เป็นโมหะเยตสิกคือในกลุ่มของกิเลสทั้งหลายนั้นโมหะก็เรียกว่าวิจิกจารนั้นก็เรียกว่าโมหะเยตสิกคือเป็นกิเลสประเภทหลงประเภทเอาวิชาที่ชัดเจนเพราะาการของเขาจึงมีอยู่เป็นฐานใจของบุคคลอยู่แล้วซึ่งก็นี้เราสังเกตได้ว่าเวลาเราเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตาม ได้เห็นด้วยตาได้ยิด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายได้สึกึกด้วยใจนั้นมันจะมีตัวสงสัยสอดแทรกเข้ามาเรื่อยบางครั้งก็รู้อะไรเป็นอะไรบางครั้งก็ไม่รู้เลยบางครั้งก็เกิดอาการเคลือบแคลงสงสัยหรือเกิดไม่แน่ใจแม้แต่ตัวรู้เองบางครั้ง ก็รู้ระดับหนึ่งแต่สงสัยอีกระดับหนึ่งคือตอนหยาบๆยาบผาดผาดเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แนวที่ลึกซึ้งลงไปเราก็ไม่เข้าใจระดับนั้นในส่วนที่เราไม่รู้นั้นเป็นอาการของความเคลือบแคลงสงสัยที่ชัดเจนแต่ว่ามันมีอาการของโมหะคือความหลงมากกว่า ส่วนความไม่แน่ใจหรือความเครื่อแปรสงสัยนั้นเป็นอาการของวิจิกิิชาที่ชัดเจงดังนั้นจะพบว่าเวลาก ร, ระทบอารมณ์ทั้งสามลักษณะนั้นมีโมหะอยู่ตลอดจากการที่เรามีโมหะอยู่ตลอดนั่นเองทำให้สิ่งที่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราเกิดจึงเกิดความรู้สึกสามอย่าง อย่างหนึ่งก็ชอบอย่างหนึ่งก็ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็เฉยๆการที่ชอบแสดงว่าโมหะเป็นตัวสร้างโลภะในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาการที่ไม่ชอบก็โมหะนั่นเองเป็นการปรุงให้เกิดเป็นโทสะขึ้นมาการเฉยๆนั้นอาจจะเฉยๆเพราะไม่รู้หรือมองไม่เห็นคุณค่าหรือเฉยเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจอยู่ก็ได้ก็แล้วแต่ลักษณะอารมณ์ที่ เกิดขึ้นในแต่ละขณะเตื้องก็ความเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมมีความเกี่ยวข้องกับความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าแต่มองในแง่ของพระธรรมจะพบว่าเราจะสงสัยทั้งชั้นของปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทในชั้นของปริยัติโดยการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือดูด้วยตาฟังด้วยหูซึ่งการศึกเป็นการศึกษาธรรมะทานสายตรงแล้วกามาจดกนึกด้ยใจมีข้อธรรมบางประการที่แต่กเราเรียนศึกษา ม, มาบางครั้งก็เกิดความครืกแร่งสงสัยว่าเอพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงหรือเปล่านั่นแสดงว่าเป็นความสงสัยในองค์ธรรม บางครั้งกส็สงสัยในขอบข่ายของธรรมะมากไปไหมน้อยไปไหมพระธรรมะบางหมวดทาไมมากและเกิดมามวดทาไมน้อยแต่การที่น้อยนั้นเพียงพอหรือเปล่าที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนั้นแสดงว่าเราเชื่อในองธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้จริงแต่เกิดสงสัยในจำนวนของธรรมะว่าจะน้อยไปไหมเพราะว่า มันควรจะมากกว่านั้นอะไรทั้งนั้นบางคร้งก็สงสัยในตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องดูอื่นไกลอย่างในปัจจุบันนั้นความเครียดแคลงสงสัยในชั้นนี้มีอยู่มากนั่นคือพวกอันในสงสีนที่ท่านบอกว่าสีเลนสุกติงยันติสีเลนโภก็สามป่าถาสีเลนะนิพุติริงยันติบุคคลจะได้ สุขหรือเข้าถึงสุขติได้กับพระศีนจะสมบูรณ์ในพหกคุณสมบัติได้กับพระศีนบรรลุมรควุนที่ผ่านได้ก็บพระศีนประเด็นของสุขติกรณีผ่านนั้นพอทำเนาแต่ประเด็นที่ให้เกิดพหกคุณสมบัติมักจะนึกกันไม่ค่อยออกจนเกิดเป็นความคิดที่แพร่หลายคือในหมู่คนบางกลุ่มโดยเฉพาะพวกที่ดําเนินอาชีพทางธุรกิจ ตนมีความคิดว่าจะต้องมีวิธีการพลิกแพลงอย่างไงก็ได้คอยได้มาก็แล้วกันจรินท่านีศึกษามาแล้วก็ชื่นชมกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็จะไปกันใหญ่เพราะจะไม่สนใจถึงวิธีได้มาแต่ว่าสนใจถึงสิ่งที่ตนจะได้มาเท่านั้นจะได้มาแล้วเขาก็สัมผัสสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีความร่ำรวยขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นมีฐานะทางสังคมดีขึ้น แล้วเขมองกล่วาววกผลอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากการละเมิดศีลในที่สุดเขาก็มีความรู้สึกว่าศีลนั้นไม่ให้เกิดปกสมบัติจริงๆจนออกมาในรูปของทําดีไม่ได้ดีแต่ทำชั่วได้ดีดังกล่าวนั่นคือความเครือบแคลงสงสัยในส่วนผลของการให้ทานของการรักษาศีลตลอดถึงการศึกษาประพฤติปฏิบัติและในตัวของการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ก็ยังมีการพูดการอธิบายกันไว้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องอาศัยปริยัตยิคือปฏิบัติไปเลยเวลาสแสดงออกไปก็หมายความว่าท่านไม่เข้าใจโดยทําไปว่าปริยัตยิั้นคืออะไรปริยัตยสมัยพระพุทธเจ้ากับปริยัตยสมัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องเดียวกันแต่วิธีการศึกษานั้นต่างกันสมัยพระพุทธเจ้าใช้การฟังเป็นหลัก เพราะไม่ได้มีตำหรักตำนาในการใช้ไม่มีการจัดชั้นเรียน ม, มีการสอนกันในโรงเรียนพอมาถึงสองกันสอนกันในโรงเรียนเราเรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมบางรูปบางคนไม่ได้เข้าศึกษาระบบนั้นก็เข้าใจว่าไม่จำเป็นจะต้องศึกษาอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องอาศัยปริยัติเดลืมไปว่าปริยัตก็คือการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัส การฟังครูบาอาจารย์สอนการนั่งสนทนาธรรมะการต่อการตกเฉียงปัญหาในด้านธรรมะกันก็เป็นเรื่องของปริญญาต่างนั้นปริญญาจึงมีลักษณะเหมือนกับแผนที่ที่เราจะต้องศึกษาให้ทราบเมื่อเราต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งการเดินยังไงไปเลี้ยวยังไงแล้วไปเจอกับอะไรแล้วจะทัาบยังไงเป็นไไปต้นคือท่านจะบอกไว้เป็นระยะระยะ แต่การจะใช้ประโยชน์จากแผนที่ในแต่ละจุดนั้นก็ต่อเมื่อเราเดินไปถึงจุดนั้นเสียก่อนจึงจะใช้ประโยชน์เวลาไม่ถึงเราก็ไม่ได้ใช้เช่นบอกว่าเลี้ยวขวายังไม่มีทางจะเลี้ยวเราก็ไม่ต้องเลี้ยวเราก็รับผิดชอบเฉพาะในช่วงที่รถกำลังแล่นไปเท่านั้นเองความเคลือบแคลงในเชิงผลอีกระดับหนึ่ง ถึงมีการนักษาอธิบายกันแตกต่างกันโดยวิธีการต่างๆที่นาวงยัยก็คือว่าหลวงพ่องนั้นว่าอาจารย์นั้นว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แต่ความสำคัญเกี่ยกัเขามากกว่าพระพุทธเจ้าของเรามากกว่าพระธรรมของเราซึ่งเราณที่เมตสนางอันอย่างเอาไว้ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า แต่ก็จริงก็ไม่พึ่งพระพุทธเจ้าประทานประสงค์จริงไปพึ่งเขาไปพึ่งคนนั้นคนนี้คนโน้นก็เกิดพูดไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าแทนที่จะยึดมั่นอยู่ในหลักของพระพุทธเจ้าก็กลับไปให้ความสําคัญแก่เขาก็เกิดเครือดแกร่งสงสัยขึ้นมาว่าอะไรคือความถูกต้องให้ลองสังเกตว่า ลักษณะเหล่านี้เป็นอาการของโมหะดังกล่าวขาดปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องพิจารณาเทียบเคียงที่ตานใช้คำว่าขาดหลักโยนิโสมานสิกานคือการทําไว้ในใจด้วยบาลแยบคาอยังมีเหตุมีผลมีที่ไปที่มามีหลักอ้างอิงเทียบเคียงได้โตลงว่าเอาเขามาเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าเขานั้นมีพื้นฐานความรู้การประพฤติปฏิบัติขนาดไหนเราก็ไม่รู้ พระพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระองค์เป็นอรหันตสมาสมพุท ธ, ธาเนื่องจากปัญญาได้ขาดแคลนลงไปหรือ อ, อ่อนรอดลงไปอาการชะงักงานก็เกิดขึ้นในชั้นก้องการสัมผัสผลในชั้นก้องการประพฤติปฏิบัติอันที่จริงแล้วเส้นทางการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว การประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าลดกิเลสลงไปได้เพิ่มธรรมะขึ้นมาได้การปฏิบัติเช่นนั้นก็ถูกนั้นพูดกว้างๆแต่แท้ที่จริงในแต่ละจุดนั้นจะต้องวิเคราะห์กันได้ในแต่ละจุ ด, ดกิเลสลดไปนั้นลดไปตามเป้าหมายหรือไม่ลดระดับฌานมันก็ลดได้ระดับหนึ่งระดับสีมันก็ลดไปได้ระดับหนึ่งสมาธิมันก็ลดไปได้ระดับหนึ่ง ซึ่งมันก็ถูกเฉพาะระดับของศีลระดับของฐานระดับของสมาธิแต่ถ้าไปยึดติดอยู่ในตรงนั้นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยดีงามแล้วมันก็ดีงามระดับนั้นนั้นได้แต่ระดับที่สูงขึ้นไปก็ยังไม่ถูกต้องก็งนี้ถ้าเรามองไปที่พุทธจริยาคือการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่จริงตั้งแต่ส่งบำเป็นเพียรนั่งสมาธิที่ต้นว่าเมื่อประชดอายุเจ็ดขวบมาแ ล, แล้วก็เป็นความสงบระดับปฐมฌานเป็นความถูกต้องดีงามในระดับนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจุดสมบูรณ์เพราะยังมีสิ่งที่สูงกว่าดีกว่าประณีตกว่าเวลาใบาไปบำเพ็ญเพียรในสำนักอาาดาบทุตักดาบทก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงก็ขึ้นถึงอรูปฌาน ก็เรียกว่าไม่เห็นกิเลสก็แล้วกันนอกจากว่าจะมีปัญญาสอดส่องมองเห็นอย่างลึกซึ้งจึงจะเห็นว่ามีกิเลสอยู่เพราะในแต่ละจุดเนี่ยทําให้คนเกิดความเครื่อนแปงสงสัยแล้วก็หยุดการประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นที่ตรงชช้คำว่าบัญญัติปฐมฌานเป็นนิพพานบัญญัติทุติยฌานเป็นนิพพานบัญญัติตติยฌานเป็นนิพพานเป็นต้นคือบัญญัติกันแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้น เ ม, เมื่อติดตรงนั้นถ้าในแง่เทียบเคียงจากข้างล่างมันก็ดีกว่า ด, ดีกว่าแต่เทียบเคียงจากข้างบนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเราก็ยังเดินเดินทางอีกไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สร้างความสับสนให้มากก็คือขาดการศึกษาเรียนรู้ขาดการเพ่งพินิจพิจารณาเพราะการจะกำจัดความเครียดแกรงสงสัยในธรรมะออกไปได้นั้นจะต้องสัมผัสได้ด้วยใจของตัวเอง ทั้งส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลแต่จะต้องมองเห็นประจักษ์ชัดว่าผลที่เกิดขึ้นแก่ใจในขณะนั้นมันเป็นอะไรกันแน่เป็นผลของกิเลสหรือเป็นผลของธรรมะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะบางอย่างเราดูไม่ค่อยออกว่าอาการเหล่านี้เป็นเป็นอาการของกิเลสหรืออาการของธรรมะ เช่สมมติาการเข้าไปโอบอุ้มช่วยเหลือเกื้อกูลแก บ, บุคคลนั้นหลายนั้นอาจกระทําด้วยโลภะก็ได้กระทาด้วยราคะก็ได้กระทาด้วยเมตตก็ได้กรุณาก็ได้ศรัทธาก็ได้หรือความจงรักภักดีก็ได้ก็พร้อมที่จะแสดงออกได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่การมองนั้นจะมองมองในมุมอีกมุมหนึ่งคือเมื่อเหตุการเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไป ันสมมติว่าเราช่วยเหลือเกือเก้อกูลแกบุคคลอื่นอยู่มากจะช่วยเหลือด้วยเหตุอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ช่วยก็ยังแยกไม่ออกต่อเมื่อใดบุคคล น, นั้นไม่มีการตอบแทนอะไรเราก็ดูที่ใจว่าเกิดโทสะไหม ถ้าเกิดโทสะหมายความว่าการช่วยนั้นเกิดด้วยช่วยโดยราคะช่วยโดยโลภะช่วยด้วยความรักเพราะอาการเหล่านั้นเป็นอาการของกิเลสซึ่งจะต้องมีการตอบแทนถ้าไม่มีการตอบสนองในเชิงที่ตนต้องการก็จะเกิดเป็นโทสะแต่การช่วยโดยศรัทธาการช่วยโดยความจงรักภักดีการช่วยด้วยเมตตากรุณาเป็นการช่วยเพื่อได้ช่วย แต่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเช่นพระสุนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากาษัตริย์ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็คือได้แสดงแล้วจะทรงพระราชทานรางวัลอะไรหรือไม่ก็ตามเราก็มีความสุขใจมีความชื่นใจมีความภาคภูมิใจหรือการได้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไร แต่เราก็ได้ปีติปราโมทย์ภายในใจแล้วพร้อมที่จะกระทาต่อไปโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นแลยความเมตตากรุณาก็มีลักษณะอย่างนีน้คือรู้สึกว่าได้ช่วยนั้นคือปีติปราโมทย์ความสุขใจที่ตนต้องการก็เสร็จแล้วในการวิเคราะห์ตรจสอบนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่การช่วยคนที่ประสบวาตภัยทางภาคได้ แต่เราลองวิเคราห์จดลึกขึ้นภายในใจก็อาจจะดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นช่วยด้วยโลภะด้วยราคะด้วยความรักหรือด้วยเมตตากรุณากันแน่มันก็ดูเวลามีความเปลี่ยนแปลงเจ็ดบางอย่างเราช่วยมากมายราชการไม่ออกข่าวให้หนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงข่าวให้โทรทัศน์ก็ไม่ออกให้ก็ดูที่ใจว่าเกิดโทสะเกิดน้อยใจเกิดเสียใจเกิดโทมนัสขึ้นมาไหม ถ้าเกิดอาการอย่างนั้นหมายความว่าการบริจาคในลักษณะ น, นั้นทําไปด้วยโลภะอาจจะมีเมตตาอยู่บ้างแต่ก็มีโลภะเป็นกําลังมากกว่าหมายความว่าต้นเองต้องได้ด้วยถ้าไม่ได้ก็จะเกิดเป็นโทสะขึ้นมาแต่ถ้าการเป็นการกระทำโดยเมตตาแล้วมุ่งขาจาัดความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น การพลพ้นจากความทุกข์ได้ น, นั้นคือความสุขใจที่บุคคลจะได้ธรรมะปฏิบัติในชั้นของผลจึงต้องเป็นเรื่องที่บุคคลสัมผัสด้วยใจตัวเองจึงจะสามารถกระจัดความเคลือบแคลงสงสัยได้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องมีหลักข้องโยนในโสพณสิการตรวจสอบดูสภาพจิตในขณะนั้นๆและดูเวลาตีกลับอีกทีหนึ่งด้วย แต่แ้นในแนวของการปฏิบัติธรรมบางครั้งเราก็ไม่รู้แต่เรงรู้ว่าที่กระทำไปนั้นคืออะไรกันแน่จะบางครั้งอดทนคล้ายๆอดทนมา ก, กนักมีเพื่อนก็นั่งตัวตรงเรียบร้อยเราก็นั่งตัวตรงเรียบร้อยบางทีนั่นอาจจะเป็นเรื่องของความสานึกเรื่องความอดกลั้นความอดทน แต่บางอย่างอาจจะเป็นลักษณะแข่งดีโอ้อวดก็ได้ให้เราสังเกตการแข่งดีการโอ้อวดนั้นเราจะทําให้เหมือนที่คนอื่นก็ทําได้หรือทําให้เหนือกว่าที่คนอื่นก็าทำในการอดกลั้นการอดทนนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามทําให้ได้สำนึกเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีจะต้องทําเมื่อประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานก็ต้องอดทนเอา การอดทนได้นั้นเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องแต่ถ้าทำด้วยความแข่งดีโดยการโอ้อวดตัวเองต้องชนะและจะเกิดความสุขใจถ้าโอ้อวดคนอื่นต้องยกย่องเราจึงจะเกิดความสุขใจเพระาะถึงจุดนี้เราจะแยกได้ชัดว่า เป็นอาการของธรรมะหรือว่าเป็นอาการของกิเลสเพราะการของกิเลสกับธรรมะนั้นบางครั้งเราแยกไม่ออกดังกล่าวถ้นสมมติว่าของมันตกไปถ้าเราไ ป, ป็นของตกจากที่สูงสูงซึ่งมีความเสี่ยงเราเดินไปกลางสะพานแล้วก็มีทองตกไปหรือกับมี ลูกหลานที่กำลังน่ารักล่นลงไปแต่จะเห็นได้ว่าเงินทองที่ตกไปนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่กล้ากระโดดแต่ถ้ากระโดดลงไปก็หมายความกระโดดไปด้วยโลภเป็นการเสี่ยงเป็นการทําโดยอํานาจของโลกภกแต่ถ้าเด็กที่ตกไปนั้นแล้วเรากระโดดลงไปช่วยเป็นการกระโดดลงไปด้วยกระ ด, ดูกหนโดยไม่ตากกรุดนูนา จะช่วยขึ้นมาได้นั้นก็คือความปีติที่เด็กได้รอดชีวิตแต่ถ้ากระโดดลงไปเอาทองขึ้นมาได้เกิดจะปีติเหมือนกันที่เราได้ทองกลับขึ้นมาเจอใจว่าทองนั้นตอบสนองเราแต่ว่าเด็กรอดชีวิตนั้นตอบสนองเด็กนั้นคืออาการที่เราเห็นได้ชัดว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น ผลที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นมันก็เป็นปีติเป็นประโมทเหมือนกันแต่ผลจากการกระทาปรากฏว่าการุณานั้นคนอื่นได้แต่ว่าโลภานั้นเราเป็นคนได้แลวถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเกิดเป็นโทสะกินจะเกิดเป็นโทสะหรือจะเกิดเป็นความเสียใจเป็นความโศกขึ้นมาแต่ถ้าการุณาคือเราลงไปช่วยแล้วใช้ความพยายามแล้วก็ปรากฏว่าช่วยไม่ได้ ใจก็จะอยู่โดยเบรขาพิจานามองเห็นเป็นกฎของกรลัไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้ตำหนิตัวเองเพราะวาความเพลี่ยนพยายามที่เราจะกระทํานั้นเราได้กระทาแล้วแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เป็นไปตามกรรมลูกหลานเราเองแกก็เป็นไปตามกรรมของแกจิตใจก็จะมีความสงบอยู่โดยเบรขานั้นพอถึงชั้นนี้ถ้าหากว่าพยายามสัมผัสได้ในแต่ระดับแล้ว ความเครียดแคลงสงสัยในเชิงผลก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแต่บางอย่างที่เรายัางสัมผัสไม่ถึงเราก็จะเทียบเคียงจะจุดย่อยไปหาจุดที่มีความสมบูรณ์ได้ก็าต้องนองคล้ายๆเราจุดไฟขึ้นในจุดหนึ่งเล็กๆก็เห็นว่าขาจัดความมืดได้เราก็มีไฟท่านั้นเองแต่ก็สามารถอนุมานได้ว่า เทาไฟก็สว่างกว่านี้ก็จะสามารถขจัดมืดได้กว่านี้แต่ถ้าสว่างเต็มพื้นที่ความมืดก็จะหมดไปเต็มพื้นที่ดูผลก็งธรรมะที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆภายในจิตเราแล้วก็นึกเทียบเคียงไปดูว่าปัญญาเกิดขึ้นไปในจิตเราขนาดนี้เราขาจัดความมืดบอดได้ขนาดนี้ ถ้าขยายออกไปมากกว่านั้นความมืดเบาก็จะลดลงไปโดยลำดับพอมาถึงพระพุทธเจ้านั้นมีปัญญาถูกต้องสมบูรณ์เต็มเมเปี่ยมด้วยปัญญาพระองค์ก็ขจัดโมหะได้หมดเมือ่อกระจัดโมหะได้หมดสิ่งที่พระองค์รู้บางอย่างเรารู้ได้บางอย่างเรารู้ไม่ได้ก็เช่นเดียวกับมาอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเรามีไฟดวงเล็กๆ เ, เราก็เห็นในตรงนั้น แต่มีอีกมากที่ภัยอยู่ภายในที่มืดด้วยความมืดทุ่มห่อเอาไว้เราก็รู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าไฟสว่างเต็มที่เราก็รู้ได้เพราะันสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้บางอย่างเราจึงรู้ได้บางอย่างเราจึงรู้ไม่ได้ตอนยังไงจึงรู้ได้ก็ต้องเพิ่มแสงสว่างขึ้นเช่นเดียวกับที่ปราณทั้งหลายท่านเพิ่มพอถึงจุดเด่นท่านก็รู้ได้ แล้วก็รู้เหมือนกันพระอาลัยทั้งหลายจึงเหมือนกันในข้อชี้หมดกิเลสด้วยกันคือบรรลุอาสวัคยานด้วยกันถ้าสัมผัสได้สักระดับหนึ่งก็จะเป็นประกายเริ่มต้นของความคิดเป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งกว่าความคิดตัวนี้บางอย่างนั้นจะต้องอาศัยการสัมผัสตรงของเราเสียก่อนเช่นเดียวกับอะไรเช่นเดียวกับ ความสำนึกถึงคุณของพ่อความรู้สึกของพ่อที่มีตัวลูกว่ารักลูกมากขนาดไหนที่เกิดขึ้นภายในใจของพระเจ้าแช่ตัตรูตอนที่จับพระเจ้าพิมิสารไปขังเอาไว้ตอนนั้นฝา่าเอามีดกรีดกรีดประบาทของพระเจ้าพิมิสานไปแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไม่ได้แล้วแต่พอทราบข่าวว่า พระเทวีประสูตรราชโอรสทนั้นบิญญาณของพ่อที่มีความรู้สึกรักเยื่อใยผูกพันต่อลูกได้เกิดขึ้นท่วมท้นประทไทยของพระองค์แล้วเกิดจุกคิดขึ้นมาว่าเอพ่อทั้งหลายนะั้นคงเป็นเช่นนี้พ่อเราก็คงรักเราอย่างนี้เช่นเดียวก็ที่เรามีความรู้สึกรักต่อลูกของเราแต่ท่านก็รู้ไม่ได้ว่ารักหรือไม่รักท่านมถามพระชนดีตัว เมื่อราจนนีเล่าให้ความก็สอดคล้องกับความคิดของท่านที่มีต่อพระโอรสซึ่งที่จริงก็ยังไม่เห็นพระพักตร์เลยทำไปเกิดความสนุ ก, กนตันยูเปี่ยมล้นขึ้นมาภายในพระไทยรีบสั่งให้นำราชบิดาออกมาจากคุกแต่มันก็สายไปเพราะจุดที่เป็นบทเรียนก็คือว่าจุดที่สัมผัสได้เมื่อมันเกิดสัมผัสขึ้นภายในใจเราแล้วเราสามารถอนุมานได้ อนุมานจากสิ่งที่ปรากฏนั้นเองไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏได้เพราะผลจากธรรมะปฏิบัตินั้นจะมีความสากลเป็นสากลในแต่ละระดับความสากลที่เป็นมาตฐานรสังเกตว่าพระอะระพระโสดาบันนั้นท่านสากลของท่านเหมือนกันทุกท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กหกขวบเจ็ดกวบจะเป็นคนแก่อายุสักร้อยกว่าปีสภาพจิตท่านเสมอกัน นั่นคือการขัดจัดสกายติติความเห็นเป็นเหตถือเตลือถือตนวิจิกิจชาความเครียดแข็งสงสัยศีรับพระธรรมมาออกไปได้แต่ได้ก็ธรรมะซึ่งแสดงออกอย่างต่อเนื่องมั่นคงไม่มีความแปรพันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไปยังไงก็ตามก็แสดงออกมาในสี่เรื่องคือสถาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในไตรติีขาเป็นสิ่งที่เหมือนกัน เหมือนกับอะไรก็เหมือนกับคนไทยกินเกลือก็เค็มฝรั่งกินเกลือก็เค็มเมื่อล้านปีที่แล้วคนกินเกลือก็เค็มอีกสักล้านปีขา้างหน้าคนกินเกลือก็เค็มอยู่นั่นเองนั่นคือสภาวะของธรรมเป็นสภาวะอย่างนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของสภาวะการสื่อการสอนรูปแบบในการเสนอนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าสัมผัสสภาวะของธรรมได้เหมือนเวลาถึง คราวสัมผัสสภาวะของธรรมจะสัมผัสได้เหมือนกันการจะกระจัดความเครือดแคลงสงสัยได้มั่นคงนอกจากโยนในโสมนัิการซึ่งต้องใช้อยู่สมัมผเสมอือดาวจะต้องเดินไปถึงจุดที่สัมผัสได้อาจจะสัมผัสระดับภาระดับศีลระดับสมาธิในแต่ละขณาระดับสมาธิที่เพิ่มขึ้นระดับสมาธิที่มั่นคงยิ่งสัมผัสได้ลึกซึ้งเท่าไหร่นั้นจะ ขจัดความเครียบแคลงสงสัยในความเป็นมาของพระธรรมในกลุ่มธรรมในองค์ธรรมในการถ่ายทอดของรธรรมโดยเฉพาะยิ่งขึ้นในผลของพระธรรมซึ่งท่านจะแสดงไว้โดยสรุปว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติแม้ตกไปในที่ชั่วและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปก็าเกิดขึ้นโดยใครที่ไหน ก็ตามข้อสำคัญว่าต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกันนั้นต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสมบสครับ